บุ๊กทูสิบห้าผลไม้และอาหารดิฉันมีสตรอเบอรี่ ดิฉันมีกีวีและแตงโ ม, ม, มฉันมีส้มและกล้ฟรุตฉ ม, มีสมและกฟรุตฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วงฉ ม, ม, มีแอปเิ่ฉันมีกล้วยและสับปะรด ย м ม ю б а บ а น и а อ а อา с นนสดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ยารอบลูสลัดสฟรุกติดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งย е ิม р ริน у ูดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยยาิมกรินคูส์มาสลม ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมดิฉันกำลังทานแซนด์วิช ด, ชดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทีย ม, ยม ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใสมะเขือเทศเราต้องการขนมปังและข้าวเราต้องการปลาและสเต็ก เราต้องการพิซซาและสปากเกตตีเราต้องการอะไรอีกไหมเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป